ธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเราก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องจิตใจเป็นสําคัญเพราะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีหมดนะร่างกายก็จะดีมองอะไรก็มีความสุข มีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่ช่วยแต่ให้จิตใจเรามีความสุขมีความผ่อนคลายธรรมะนั้นก็คือชื่อว่ า, าจาคะจาคะคคือการสละละวางสิ่งที่มีดีในนั้นจิตใจเราเราจะเป็นต้องอาศัยจาคะ สละละวางในสิ่งที่มีดีในจิตใจทำให้จิตใจมีความเคร่งเครียดหรืออารมณ์ต่างๆหรือความคิดต่างๆสึ่งนี้บางทีมันก็กวนจิตกวนใจเราให้มันเป็นทุกข์ให้มันรู้สึกเศร้าหมองเราจะต้องมีการสละละวางสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจซะ เช่นเวลาเรามีความเครียดความเครียดอย่าปล่อยอยู่ในด้านจิตใจอยู่นานเกินไปถ้าหาว่าความเครียดอยู่ในจิตใจเรานานเนี่ยมันจะย่ํายีใจเราให้มีความทุกข์หนักมีความเศร้าหมองมากพรั้นอย่าให้ความเครียดอยู่ในจิตใจเรานานจนเกินไปพอมันเกิดขึ้นมาก็พยายามที่จะระบายความเครียดออกซะ ระบายความเครียดออกโดยการไปผ่อนคลายวิธีการผ่อนคลายความเครียดทังจิตใจนั้นมีมากมายไอ้ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเราสามารถแสวงหาได้แต่เราก็แสวงหากันอยู่แล้วเวลาเราเกิดความเครียดเราก็ไปผ่อนคลายอันนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้ส่วนต่อไปก็คือ การทำให้ความเครียดหรืออารมณ์ต่างๆที่ระบายออกไปจิตใจได้นั้นเราก็ต้องอาศัยการสวดมนต์การสวดมนต์ก็ดีนะพยายามเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตใจไปรับอารมณ์อื่นซะอย่าปล่อยให้ความเครียดมันมาครอบงำจิตใจนานก็เลยเอาใจออกไปที่อื่นโดยอาศัยไป สวดมนต์การที่เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์นั้นมันทำให้ใจเราเนี่ยมันลืมความเครียดไปไปจดจ่ออยู่ที่การสวดมนต์พอใจเราไปรับอารมณ์หนึ่งอีอารมณ์หนึ่งเราก็จะทิ้งไปเองเมื่อใจอยู่กับการสวดมนต์ความเครียกก็จะหลุดไปจากใจทันทีหรือเราอาจจะฝึกทํากรรมฐาน ใช่เป็นคำบริกรรมหรือไม่มีคำบริกรรมอย่างเช่นว่าเอาอาณาปารสติอารมณ์หายใจมาเป็นตัวกรรมฐานคือเอาใจไปเกาะไว้ที่ลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกที่จมูกของเราใจมันก็จะทิ้งจากอารมณ์ความเครียดหรืออารมณ์เศร้าหมองไปอยู่กับที่การดูลมหายใจเข้าออก ถ้าเรามีคำบริกรรมอย่างเช่นยุบหนอพองหนอหรือพุโทโธเนี่ยพอใจเราไปเกาะอยู่ที่คำว่ายุบหนอพองหนอหรือไปเกาะไว้ที่พุโทโธเนี่ยใจมันก็จะลืมที่จะเกลียดที่จะคิดอะไรไปเลยมันจะปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติอันนี้คือการอาศัยวิธีการทำกรรมฐานนะ หรือเราจะใช้วิธีการวิปั ส, สนาใช้หลักวิปั ส, สนาคือเมื่อเวลามีอารมณ์เครียดในจิตใจมีความคิดมีสิ่งที่ไม่พลิงปัตตนาเกิดขึ้นในใจเราสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีสติเฝ้าดูเนี่ยอารมณ์ไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราการเฝ้าดูเนี่ย เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่จิตใจเราพอะเราเห็น บ, บ่อยๆเขาเนี่ยมันจะปล่อยแล้วก็วางมันก็จะสละอารมณ์เหล่านั้นได้จากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการทําให้จิตใจเราผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดเราก็ต้องอาศัย จาคะเนี่ยคือการสละล่าวางสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเราซะโดยการไปผ่อนคลา ย, ยหรือการไปสวดมนต์หรือรเอาใจไปจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมการทำกรรมฐานหรือการเอาใจเราไปเฝ้าดูราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในใจเราเราก็จะรู้ความจริง ว่าสิ่งหเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรร็จแล้วเราก็จะปล่อยวางไปเองนั่นคำว่าจะค่าคือการสละละวางสิ่งที่ไม่ดีในใจเราได้นั้นเราต้องอาศัยการฝึกโดยการฝึกทีละขั้นตอนอ ง, ง่ายๆจากการคลายเครียดการสวดมนต์การอาศัยคาบริกรรมนั่นหรือการทำมิปัสนา ทำบ่อยๆทำเป็นประจำเนี่ยใจเราก็จะพ้นออกจากอารมณ์ที่มีดีหรือสิ่งที่มีดีที่มันครอบงำในใจเราได้ภาษาธรรมจะเรียกว่าจากคะคือการสละละวางสิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจอ่ะแค่นี้เนาะ